จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพระราชที่หนึ่งม ก, ก ร, ราคมพุทธศัรกราชส5 5พันห้าร้อยห้าสิแเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่สาธุชนพุทธบรยษัท ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่ให้มีความสุขให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความแก้วขล้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยการมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติที่ส่งสอนว่าถ้าพวกเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นจเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นเราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายไว้ก่อนคือเราจะต้องตั้งเข็มทิศ คือตั้งใจทางาภาษาพากเราเรียกว่าอธิษฐานการอธิษฐานนี้ท่านส่งสอนให้อธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลผลนั้นไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานเช่นความสุขความเจริญไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานแต่เกิดจากการกระทําเหตุ ที่จะทำให้เกิดความสุขและความเจริญตามมาเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริญก็คือการคิดดีพูดดีทำดีถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ที่การคิดดีพูดดีทำดีพอเราได้คิดดีพูดดีทำดีผลที่ดีก็จะตามมาพระพุทธเจ้าพระอรหนันตสาวกทั้งหลาย ท่านได้ตั้งเป้าไว้ที่ตรงการกระทำทั้งสามนี้คือการคิดดีพูดดีทำดีพอท่านคิดดีพูดดีทำดีผลก็คือความสุขความเจริญต่างๆก็จะตามมาจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอระหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าขั้นพระนิพพาน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเริ่มต้นที่การตั้งจิตอธิษฐานแต่เราต้องเข้าใจว่าเราอธิษฐานตรงไหนส่วนใหญ่เราจะไปอธิษฐานตรงผลกันเช่นเราอธิษฐานขอให้ชีวิตเรามีความสุขมีความเจริญในาลาภยศสรรเสริญในความร่มเย็นเป็นสุขด้วยอายุวันณนะสุขะพะละ สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าผลเหมือนกับผลละไม้ถ้าเราเป็นชาวนาวชาวไร่เราอยากได้ผลละไม้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องปลูกต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้แล้วผลละไม้ก็จะตามมานี่คือเหตุและผลดังนั้นเราต้องไปปลูกต้นไม้กันต้นไม้ที่จะนำความสุขความจเจริญ ให้แก่ชีวิตของเราก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจเรียกว่าคิดดีพูดดีทำดีตใจต้องคิดก่อนถึงจะพูดได้ถึงจะทำได้ดังนั้นเราต้องพยายามดูใจของเราอยู่เรื่อยๆว่าคิดดีหรือคิดไม่ดี ถ้าเราอยากจะคิดดีพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เราจเจริญพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาถ้าเราสามารถจเจริญเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาได้เราก็จะพูดดีทำดีได้เมื่อเราพูดดีทำดีผลที่ดีก็จะเกิดตามมา คือความสุขและความเจริญความสุขความเจริญที่แท้จริงนี้อยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งการงานต่างๆสองเหล่านี้เป็นของชั่วคราวถึงแม้ว่าจะเจริญถึงขั้นสูงสุดก็มีวันเสือ่อม มีวันหมดไปแต่ความสุขความเจริญทางจิตใจนี้เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงที่ถาวรจะไม่เสือ่อมไม่หมดไปเพราะใจผู้ที่รับความสุขความเจริญนี้ไม่ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ตายไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยศถาบรรดาศักติ์ตำแหน่ง หน้าที่การงานการยกย่องสรรเสริญต่างๆก็จะหมดไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดังนั้นเวลาเราดูผลที่เกิดจากการคิดดีพูดดีทำดีอย่าไปดูตรงที่ทรัพสมบัติว่ามีมากขึ้นหรือไม่อย่าไปดูว่าตำแหน่งหน้าที่การงานจะสูงขึ้นไปหรือไม่ อย่าไปดูว่ามีคนยกย่องสรรเสริญเรามากขึ้นไปหรือไม่ให้ดูที่ใจของเราว่ามีความสุขมากขึ้นหรือไม่มีความเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาเพิ่มขึ้นมากหรือไม่อันนี้แหละเป็นตัววัดที่แท้จริงเพราะถ้าจิตใจของเรา มีความเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขามากขึ้นเท่าไหร่จิตใจของเราก็จะสูงขึ้นไปเท่านั้นจิตใจของเราจะสูงจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเทวดาชั้นต่างๆจากเทวดาชั้นต่างๆก็จะไปเป็นพรหมชั้นต่างๆจากพรหมชั้นต่างๆก็จะไปเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆ เช่นชั้นโสดาบันชั้นสกิดาคามีชั้นอนาคามีและชั้นพระอารหาันต์นี่เป็นความสุขความเจริญเป็นผลที่จะเกิดจากการที่เราคิดดีพูดดีทำดีดังนั้นขอให้เราตั้งเป้าไว้ตรงนี้ว่าต่อไปนี้เราจะคิดดีพูดดีทำดีการที่เราจะคิดดีได้ใจเราต้องมี คุณธรรมสี่ประการคือมีเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาเราก็ต้องศึกษาว่าเมตตาคืออะไรทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าเมตตาความหมายของเมตตก็คือความปรารถนาดีที่เราเรียกว่าไมตรีจิตเราผูกมิตรเราไม่ผูกศัตรู คำว่าเมตตาก็คือให้ผูกมิตรไม่ให้สร้างศัตรูผูกมิตรด้วยการให้สิ่งที่เรามีที่เราสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้เช่นในวันขึ้นปีใหม่นี้เรามีธรรมเนียมส่งความสุขให้กันมีให้ของขวัญกันให้เครื่องใช้ไม่สอยต่อกันอันนี้แหละเรียกว่าการแสดงความเมตตา คือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขไม่อยากให้ผู้อื่นมีความทุกข์เราจึงเอาแต่ของดีๆมาให้กันและกันนี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาหรือเจริญเมตตาการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยเวลาที่เราอยู่กับ เหตุการณ์กับบุคคลต่างๆไม่ใช่แผ่เมตตาเวลาที่เราอยู่ในห้องพระสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาอันนั้นเป็นการฝึกซ้อมไว้ก่อนเหมือนกับนักมวยก่อนที่จะขึ้นชกบนเวทีต้องซ้อมชกกระสอบท้ายต้องช้อมชกกับเทรนเนอร์ก่อนเพื่อที่จะได้รู้จักวิธีต่อสู้กับ คู่ต่อสู้เวลาขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะได้คว้าชัยชนะขึ้นมาคู่ต่อสู้ของพวกเราก็คนทั้งหลายที่เราอยู่ด้วยนั่นเองเวลาที่เราเจอบุคคลต่างๆนั่นแหละเป็นเวลาที่เราจะต้องแผ่เมตตาอย่างน้อยก็ต้องหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสไม่เบึง่งเตืองไม่แยกเคี่ยวใส่กัน ถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์ไม่ดีก็ต้องข่มอารมณ์นั้นไว้ฝืนยิ้มไปเพื่อที่จะได้ให้ผู้อื่นเขามีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาก็จะรักเราเขาก็จะเป็นมิตรกับเราถ้าเราเบื่อเตึงหรือยากเขี่ยวใส่เขาเขาก็จะไม่มีความสุขแล้วเขาก็จะไม่ชอบเรา เขาก็จะกลายเป็นศัตรูของเรานี่คือความเมตตาในลักษณะที่ให้เราส่งความปรารถนาดีความหวังดีให้แก่ผู้อื่นด้วยการพูดก็ดีด้วยการกระทำก็ดีทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขเห็นเขากำลังทำงานเราไปช่วยเขาทำงานเห็นเขากำลังต้องการ อะไรที่เขาไม่มีขาดเหลือเราหาไปให้เขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาแล้วจะทำให้ผู้รับก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขนี่คือการแผ่เมตตาลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งก็คือการไม่จองเวรจองกรรมกันไม่สร้างสัจจุ เวลาที่มีใครเขามาทำอะไรให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเดือดร้อนเสียหายท่านสอนว่าให้เราให้อภัยอย่าจองเวรจองกรรมกันเพราะเป็นการกระทําที่เป็นภัยต่อกันและกันเราจองเวรเขาเราก็ไปทำร้ายเขาพอเราไปทำร้ายเขาแล้วเขาก็จะกลับมาจองเวรเขาก็จะกลับมาทำร้ายเรา แล้วก็จะทำร้ายกันไปกลับ ไ, ไปกันมาอย่างนี้จนกระทั่งตายไปก็ไปจองเวรจองกรรมกันต่อในภพหน้าชาตินาคนที่เราเจอแล้วไม่ชอบนี่เขาไม่ชอบเราก็เพราะว่าเขาเคยเป็นคู่เวรคู่กรรมกับเรามาก่อนแต่ถ้าเราไม่ไปจองเวรให้อภัยเขาทำอะไรให้เราเสียหายเราก็ทำใจข่มใจ คิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าก็แล้วกันใช้กรรมเก่าเราจะไม่สร้างกรรมใหม่ไม่สร้างเวงใหม่พอเราไม่ตอบโต้เขาก็จะเลิกลาไปใไนที่สุดแล้วต่อไปก็จะไม่มีเวทมีกรรมติดตัวกับเราไปใจเราก็จะเย็นมีความสุขมีความสบายนี่แหละนี่คือการสร้างความสุขด้วยการไม่ ผูกศัตรูไม่สร้างศัตรูแต่ให้อภัยกับผู้ที่เขาทําให้เราเกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายถ้าเราสามารถเจริญเมตตาได้ท่านบอกว่าอนิสงค์ของการเจริญเมตตาก็คือจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีมนุษย์คุ้มครองเรามีเทวดาคุ้มครองเรา เวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายเวลาตายไปก็จะไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือการสร้างความสุขความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของเราถ้าพวกเราไม่สามารถแผ่เมตตาได้ เวลาใครเขาทําร้ายเราเราก็ทาร้ายเขาเราก็สร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรไปพอเวลาตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในอบายเพราะเราไปทํากรรมไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นจึงไม่ควรที่จะกระทําไม่ว่าเขาจะทําร้ายเราสาหัสเพียงไรก็ตาม ขอให้เราคิดว่ามันผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราคิดว่าเป็นขคอของเราเป็นกรรมของเราก็แล้วกันถ้าเราไปทำร้ายเขาเราก็จะไปสร้างกรรมใหม่แล้วเราจะไปสร้างอบายเป็นที่อยู่ของเราต่อไปถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเวลาที่เราตายไปแล้วคือใจเราจะมีแต่จเจริญจะไม่เสื่อม นี่คือเรื่องของเมตตาข้อที่สองก็คือความกรุณาก็คือให้เรามีจิตใจสงสารผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนควรที่จะช่วยเหลือกันมีมากมีน้อยก็ช่วยเหลือกันไปตามกําลังอย่าดูดายอย่าไปว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตัวใครตัวมัน อันนี้ไม่ใช่เรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถอันนี้เรื่องของความกรุณาต้องดูแลกันช่วยเหลือกันถ้าอัตตาหิอัตโนนาโถนี้ต้องใช้ในกรณีที่ต่างคนต่างอยู่ได้พึ่งตัวเองได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแต่ถ้าเขาพึ่งตัวเองไม่ได้เช่นเขาพิกพิการเจ็บไข้ได้ป่วย ชาลาภาพอย่างนี้ต้องช่วยเหลือกันต้องมีความการุณาต่อกันต้องเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระมาหาการุณาที่คุณต่อสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนนี้ด้วยความการุณาพระทรงเห็นว่าสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ ยังอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและจะไม่มีวันเล่นลอดดุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนีได้เลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเอาธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มาเผยแผ่สั่งสอนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าทรงมาเผยแผ่สั่งสอนแล้ว ผู้ที่มีความศรัทธามีความเชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถก็จะสามารถปฏิบัติทําให้ตนเองได้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่าตายเกิดได้อย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้เป็นผู้ที่รับได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีพระอาหารหันตสาวก ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แม้แต่รูปเดียวจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ความสามารถฉลาดพอที่จะบรรลุทำได้ด้วยตนเองจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนความรู้นี้เท่านั้นนี่คือความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่ช่วยให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากกอกทุกข์ทั้งหลาย พวกเรายังไม่ถึงระดับนั้นก็ขอให้ช่วยเพื่อนร่วมโลกด้วยกันในระดับของร่างกายไปก่อนก็ยังดีถ้าไม่สามารถฉุดลากจิตใจของเขาให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างน้อยก็ขอให้เราให้เขาออกจากกองทุกข์ของความของร่างกายเช่นร่างกายอุยาขาดแคลนปัจจัยสี่ เราก็หากันมาหาข้าวหาน้ำหาเสื้อผ้าหายาหาที่อยู่อาศัยมาช่วยบรรเทาทุกข์กันหรือว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาไปโรงพยาบาล น, นี่เรียกว่าความสงสารความกรุณาถ้าเราทำแล้วใจเราจะสูงขึ้นใจเราจะเป็นเทพเป็นพรหมได้แล้วข้อที่สามก็คือให้เรามีความมุทิตาจิต คือความชื่นชมยินดีกับความสุขกับความเจริญของผู้อื่น mm. เวลาเห็นใครเขาได้ดีดได้ดีเราควรที่จะแสดงความยินดีอย่าไปอิจฉาริษยาเพราะความอิจฉาริษยานี่จะทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราร้อนเราจะทำให้ใจเราคิดไม่ดีเพราะเวลาเราอิจฉาใครเราก็จะไม่อยากให้เขาได้ดี เราก็จะไปทำสิ่งที่จะทำให้เป็นเวรเป็นกรรมขึ้นมาไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าเรามีมุดิตาจิตมีความชื่นชมยินดีเราก็จะมีความสุขผู้ที่เขาได้ดีได้ดีเขาก็จะมีความสุขเขาก็จะไม่มามีปัญหามีเรื่องมีราวกับเรานี่เรียกว่ามุดิตา พยายามฝึกเรื่อยๆเวลาเห็นใครได้ดีได้ดีโดยเฉพาะคู่แข่งของเราคู่ต่อสู้ของเราอย่างนักกีฬานี่ต้องรู้จักรู้แพ้รู้ชนะเวลาเขาแพ้เราก็ต้องให้ความสงสารเวลาเขาชนะเราก็ต้องให้ความยินดีกับเขายอมรับความจริงอย่าตีโพยตีพายอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้ ที่ทำให้เราแพ้เราแข่งขันกันเพื่อทดสอบจิตใจของเราว่าเราสามารถมีมุติตาจิตได้หรือไม่ถ้าเรามีได้แล้วเราก็จะจิตใจของเราก็จะสูงขึ้นเราจะไม่อิจฉาริษยาและข้อสุดท้ายเราต้องฝึกโอเบขาก็คือทำใจให้เฉย เวลาที่เราไม่สามารถทำาอะ ไ, ได้เวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เราก็ต้องใช้อุเบกขาหรือเวลาที่ใครเขาทำร้ายเราแล้วเราไม่สามารถที่จะยับยัง้งไม่สามารถที่จะแผ่เมตตาให้กับเขาได้เราก็มาฝึกอุเบกขาแทน คือทำใจให้เฉยๆอย่าไปตอบโต้อย่าไปพูดไม่ดีอย่าไปทำร้ายเขาถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถให้อภัยกับเขาได้อย่างน้อยก็หยุดใจไว้ก่อนอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรวิธีเจริญเบกขาพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดให้ให้คิดอย่างนี้ว่าเวลาใครเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้ว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 อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหรนันต์นี้ท่านไม่กลับมาเกิดอีกแล้วท่านไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมารับใช้กรรเวรอีกแล้วอย่างอมคุลิมานที่ฆ่าคนตายถึง999คนถ้ายังกลับมาเกิดอีกก็จะต้องถูกผู้อื่นจองเวรจองกรรมอีกท่านเคยไม่กลับมาเกิดดีกว่า การไม่กลับมาเกิดก็คือต้องทำใจให้เฉยเฉยไม่ไม่ไปตอบโต้ไม่ไปต่อสู้กับใครทั้งนั้นทำใจให้สงบทำใจให้หยุดพอหยุดได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาทำบาป ท, ทำกรรมมาสร้างเวทสร้างกรรมกันอีกต่อไปนี่คือคุณธรรมสี่ประการ ที่จะทำให้ใจของเราคิดดีพูดดีทำดีได้แล้วพอเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งต่างๆที่ดีก็จะตามมาความเจริญของจิตใจก็จะตามมาความสุขของจิตใจก็จะตามมาจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นนิพพานในที่สุด นี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนเพื่อที่จะฉุดลากพวกเราให้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองจึงขอให้ท่านจงนำเอาทาที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้คือการเจริญเมตตากรุณาบุญิตาอุเบกขาและการตั้งจิตอธิษฐาน ว่าจะคิดดีพูดดีทำดีไปตลอดชีวิตนี้ให้ท่านได้ํำเอาไปปฏิบัติแล้วผลที่ดีเช่นการจเจริญด้วยราบยศสรรเสริญเจริญด้วยพบภูมิต่างๆเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข้วค่ า, าปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเทอ